ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตตะปุพระสิกขาและปุกพสิกขาวันนานาพระอมราพิรุกตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมยีวาดรสนาต่อไปจะ ก, กล่าวในมัณฑนาดิกถากล่าวเรื่องของการประดับตกแต่งเป็นต้นข้อหนึ่ง ทิสุยาทาและผัดและย้อมหน้าและย้อมตัวด้วยเครื่องทาเครื่องย้อมด้วยปัญจห้ามไว้ว่าณพิฆนะเวมุขังอาลิมเปตะบังณนะมุขังอุมมั ด, ดิตะบังณนะมุขังจุนเนตะบังณนะมโนติลายามุขังลันเชตะบังณอนะังคราโกณมุคราโกณอังกมุขราโกกาตะโวว่า ทิสุยาทาหน้าด้วยเครื่องทาที่กระทําให้เป็นคนมีผิวใสอย่าผัดหน้าด้วยเครื่องผัดต่างๆอย่าปัดเช็ดหน้าด้วยจุนสำหรับผัดหน้าอย่าเจิมหน้าด้วยมโนธีราและหอดาดานเป็นต้นอย่าย้อมตัวอย่าย้อมหน้าอย่าย้อมทั้งตัวและหน้าถ้าเธอใดทําอย่างนี้ต้องทุกกฎด้วยทรงอนุญาตวิว่าอนุชานามิพิขเวอาบาทัพปัจยามุขขังอาลิมปิตุงดังนี้ ระอาภาตจะทาหน้าควรอยู่ถ้าไม่ป่วยถ้าไม้ป่วยห้ามไปทาหน้าอะไรต่างเพราะว่าก็เป็นไปกับโลภะไม่ได้เป็นกุศลอะไรเลยไปผัดหน้าทาหน้าย้อมหน้าอะไรต่างจะไปทำให้เจริญด้วยไตรจิคาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรข้อหนึ่งทิสุยาทรงเครื่องประดับมีตุ้มหูเป็นต้นด้วยทรงบรรยัติไว้ว่าณพิขเววัลิกังทาเรตบัง นตามังกังนตะัฏสุตังนะติสุตังณนะโอวัตตังณนะกายุรังณนะหัตถาพระระนังนะังคุลิมุติกังทาริตบังว่าอย่าทรงต้มหูเครื่องประดับหูโดยที่สุดแม้เป็นใบาตาลและได้จังวาลและเครื่องประดับสเสลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่สุดแม้เป็นได้ก็ดีและกําไรและสายสร้อยและเครื่องประดับมือและแหวนนิ้วมือ เธอใดทรงเครื่องประดับเหล่านี้ต้องถูกกดเครื่องประดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ควรเลยนาฬิกาล่ะควรไหมนาฬิกานาฬิกาไว้ดูเวลางั้นก็ถ้าจะให้ดีก็ควรจะใส่กระเป๋าอ่างสะหรือว่าจะตุนไมพรมถัดแล้วก็เอาเน็บไว้ที่ะตะตคตปะกตเอวก็ได้แต่ว่าเอามาผูกที่ข้อมืออันนี้ก็เหมือนครื่องถัดมากาไม่เหมาะสมเท่าไหร่ ข้อหนึ่งอย่าให้เขาถอนผมงอกถ้าให้เขาถอนต้องทุกกดด้วยทรงบัญญัติท่าไว้ว่านาทิทเวปาริตังคาหาเปตะ บ, บังดังนี้คนอันใดงอกขึ้นที่คิ้วหรือหน้าผากหรือที่หนวดเขี้ยวเป็นของหน้าเกลียดขนเช่นนั้นจะงอกก็ตามไม่งอกก็ตามแม้จะให้เขาถอนเสียควรอยู่ข้อหนึ่งอย่าให้เขาตัดผมด้วยกรรไกรถ้าให้เขาตัดต้องทุกกด ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวกัตตริกายะเกสาเฉดาเปตาบาดังนี้เป็นแผลในตีรษะจะให้เขาตัดผมด้วยกรรไกรเพื่อจะทายาควรอยู่ด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวอาบาทัพปัจจญากัตตริกายะเกเสเฉดาเปตุงดังนี้ข้อหนึ่งยาให้เขาตัดหนวดด้วยกรรไกรถ้าให้เขาตัดต้องถูกกดด้วยตรงห้ามไว้ว่า ณพิภเวมัตตุกัปปาเปตะบังดังนี้ห้ามตัดหนวดด้วยกันไก่ตัดผมด้วยกันไก่ตัดหนวดด้วยกันไก่นี้ไม่ได้ทำงานต้องโกนข้อหนึ่งอีกยาวีผมได้แปลงยาวีด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีหวีงาเป็นต้นอย่าเอามือทําเป็นหวีหวีผมด้วยนิ้วมือยาวีด้วยน้ํามันเจื้อด้วยขี้ผึ้งยาวีด้วยน้ํามันเชื้อด้วยน้ําถ้าหวีดังนี้ต้องถูกกด ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิขเวโกดเฉนะณนะพนเกนะณนะหัตถะพนะเกนะณนะสิทธะเตระเกนะณนะอุดะกะเตระเกนะเกสาโอสันเหตบา่าดังนี้หวีเพื่อจะแต่งตัวต้องทุกกดในที่ทั้งปวงก็แลผมปลายชันขึ้นข้างบนพึ่งชุบมือให้ชุ่มแล้วลูบศรีรษะเพื่อจะให้ตกตามกันเถิด แม้ติดะร้อนและเจือด้วยผงคลีจะลูบด้วยมือชุ่มก็ควรอยู่ข้อหนึ่งไม่เป็นไข้ย่าตองดูเงาหน้าในกระจกและภาชนะแห่งน้ำถ้าตองดูต้องทุกกดด้วทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวอาดาเสวาอุดกะปาเตวามุขะนิมิตตังโอโลเกตะบังดังนี้นิมิตแห่งหน้าปรากฏในวัตถุใดแม้เป็นแผ่นสำริดเป็นต้น วัาถุทั้งพวงนั้นนับว่าอาดาสแว่นสิน้นหมายถึงคือกระจกเงาเนี่ยแหละถ้ามันสะท้อนออกมาเห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองอันนี้ก็เป็นกระจกเป็นแว่นทั้งนั้นนั่นแม้น้ําต้มปรอูมเป็นต้นก็ดีก็นับว่าภาชนะน้นําสิ้นก็คือมองไปในน้ําเห็นเง า, นาหน้าตัวเองแล้วก็เป็นดูไอะไรก็มีอาบัตเหมือนกันเพราะเหตุ น, นั้นเมื่อแลดูเง า, นาหน้าในที่ใดที่หนึ่งต้องถูกกดเป็นแผลในหน้า จะแลดูเงาหน้าในกระจกเป็นต้นเ็จะรู้ว่าแผลเรามีผิวขึ้นยังมีผิวขึ้นหรือยังควรอยู่ได้ทรงอนุ ญ, ญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวอาบาทัพปัจยาข้อความละโอโลเกตุงก็ให้ดูได้ดังนี้ในอัตถิถาว่าจะแลดูเพื่อจะดูอายุสังขารว่าเราแก่แล้วหรือยังก็ควรอยู่เหมือนกัน ดูสิว่าตอนนี้นี่จะปลงของเวทในหน้าต่างของเรามันแก่ขนาดไหนแล้วนี่ก็อนุญาตได้เหมือนกันให้พิจารณาไตรลักษณ์ที่ใบหน้าแต่ว่าก็ต้องพิจารณาให้ดีข้อหนึ่งอย่าเพ่งดูนิมิตหญิงด้วยสงห้ามไว้ในวีนิษแต่วัตถุว่าณาจาพิคเวสารเตนะมาตุคามัสสะอังคะชาตังอุปนิชยิตบังว่าเทตกุยาพึงกาหนัดเพ่งองกาเนิดแห่งมาตุคาม ถ้าเธอใดเพ่งดูต้องทุกกฎถ้าแม้หญิงนุ่งผ้าสักร้อยชั้นยืนข้างหน้าเพ่งดูว่านิมิตอยู่ในโอกาสชื่อนี้เป็นทุกกฎแท้ที่เพ่งดูนิมิตแห่งหญิงเด็กชาวบ้านยังไม่ได้นุ่งผ้าไม่ต้องกล่าวเลยก็เป็นอบัติทุกกฎเหมือนกันอันหนึ่งแม้นิมิตแห่งเดรัจฉานตัวเมียก็เหมือนกันอย่างนั้นนิมิตของสายเดรัจฉานตัวเมียก็ห้ามไปเพ่งเหมือนกันนะก็มีอบัติทุกกฎกันแหละ ไม่เหลียวดูข้างโน้นข้างนี้เพ่งดูด้วยประโยกอันเดียวแม้สิ้นวันหนึ่งเป็นทุกกฎตัวเดียวเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้แล้วเพ่งดูบ่อยๆเป็นทุกกดทุกๆประโยกยาพึงปรับอับัติด้วยหลับตาแล้วลืมขึ้นดูเพ่งดูแล้วกลับคืนคิดตั้งอยู่ในสังวรอีกโดยคลันไม่เป็นอับัติมละสังวรเสียกลับเพ่งดูอีกคงเป็นทุกกฎแท้ข้อหนึ่งเมื่ออาบน้ํายาสีกายในต้นไม้ในเสาในฝา หาสีกายในที่เหล่านี้ต้องทุกกดด้วยตรงห้าไว้ว่าณนะพิขเวณนะหายะมา น, นีณรุกเขกาโยณธรรมเพณนะกุดเดกาโย ο, อุ ค, คังเสตะโบดังนี้ข้อหนึ่งอีกอย่าอาบในที่ชื่ออัฐานะและอย่าอาบด้วยไม้ชื่อคันทพัพภัตถะและอย่าอาบด้วยกุรุวินตะสุตติถ้าอาบในอัถนะ และอาบด้วยของเหล่านี้ต้องทุกกฎด้วยรงห้ามไว้ว่าณพิคเวณหายะมาเนณอัฏฐเนคันทัพพระหัตเกนะกุรวินกะสติยาณหายิตบังดังนี้ชาวมัชฌิมประเทศทั้งหลายเขาถากต้นไม้ให้เหมือนกับกระดาลแล้วจำหลักให้เป็นแถวรีแถวขวางโดยอาการดังตากระดาหมัคลุกแล้วฝังไว้ที่ท่าอาบน้าเอาจุนจุเข้าใน ไม้กระดานนั่นแหละปะสีกายในไม้กระดานนั้นไม้กระดานนั้นชื่อว่าอัถานะรูปมือทําด้วยไม้ตั้งไว้ที่ท่าอาบน้ําชื่อว่าคันทัพพระหัตถะได้ยินว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาถือเอาจุนด้วยไม้เช่นั้นแล้วขัดสีตัวเกลียวได้เขาผสมจุนกรวดศิลาเข้ากับครั้งทําเป็นก้อนเข้าในถ้ำกลางเรียกว่ากุรุวินตกัสุติ เขาถือกุรุนวินกะสุตินั้นในที่สุดสองข้างแล้วก็ขัดสีตัวของพระพิจูนี้ก็ห้ามใช้ทั้งสามอย่างนี้ข้อหนึ่งอย่าเอาหลังต่อหลังตัวต่อตัวเข้าสีกันถ้าพิจุสองรูปสีกันเะนั้นต้องทุกข์กฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเววิไคหะปริกรรมมังการาเปตะ บ, บังดังนี้ข้อหนึ่งทรงห้ามไว้ว่าพิฆเวมัลเกณะนหายิต บ, บังว่า พิจุอย่าพึงอาบด้วยไม้ชื่อมัละกะถ้าเธอใดอาบด้วยไม้มละกะต้องถูกกดไม้เขาจักเป็นฟันมังกรทำสันฐานดังรากมันชื่อว่ามัละกะไม้มละกะนี้แม้แก่พิจุไข่ก็ไม่ควรไม้มละกะเขาไม่ได้ตัดเป็นฟันมังกรควรแก่พิจุไข่พิจุไม่เป็นไข่ก็ไม่ควรด้วย ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวทีลานัสตะอตกาตัมมลกังดังนี้่อนกระเบื้องและตอนขีตาควรแก่ที่สุดทั้งปวงเกลียวผ้าและฝ่ามือเป็นของควรเวลาอาบน้ํานะให้เกลียวผ้าก็ได้ฝ่ามือก็ได้ขัดสีถูไปได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวอุกาสิกังปุถุปานิกังดังนี้อุกาสิกังก็แปลว่าเกลียวผ้าเพราะเหตุนั้น ทิศตูผู้ใดผู้หนึ่งอาบน้ําอยู่จะเอาเกลียวผ้าอาบถูหลังควรอยู่ปูถูก ป, ปานิกัรก็กปแปลว่าหัดถำบริกรรมประเหตุนั้นทิศตูทั้งปวงจะทําปิดทิบริกรรมก็คือสีหลังกันด้วยมือควรอยู่ก็ถูขี่ใครถูหลังให้กับอุปชาอาจารย์แก่พระวิสุเพื่อนกันก็ไม่ ไ, ได้จะใช้มือถูจะเอาหลังไม่ถู ด, ด้วยกันก็แล้วกันก็แลนทหานวัตก็คือธรรมเนียมในการอาบน้ําดังนี้ ไปถึงผ้าอาบน้ำแล้วอย่าเอาผ้าจีวรทิ้งไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วดวลลงไปพึงแลดูทิศทั้งปวงรู้ว่าเป็นที่สงัดแล้วพึงกําหนดตอและพุ่มและถาวันเป็นต้นแล้วยืนก้มลงเลื่องจีวร อ, ออกพึงไว้แก้ประคตเอวออกวางไว้บนหลังจีวรถ้าผ้าอาบไม่มีไตพึงนั่งยองลงที่ใกล้น้าเลื่องผ้าสะบงออกถ้าที่พึงมีไตพึงตากไว้ที่แดด ถ้าที่พึ่งไม่มีสายพึ่งจีบวางไว้เมื่อลงลงในน้ำก็ค่อยๆลงไปเพียงสะดืออย่าทาให้เป็นคลื่นเป็นเสียงพึงกลับหน้ามาข้างทิศที่ตนมาแล้วดำลงเมื่อเป็นเช่นนี้ผ้าจีวรก็เป็นอันรักษาด้วยแม้เมื่อผุดขึ้นอย่าทำเสียงค่อยๆผุดขึ้นอาบเสร็จแล้วถึ่งนั่งยองริมน้ำวงผ้านุ่งเข้าลุกขึ้นนุ่งให้เป็นปริมนทนด้วยดีแล้ว ปลูกประคตเอวคลุมจีวรยืนอยู่ท้าแลอาบมีผ้าอาบไซตขึ้นมาแล้วพึงให้แถวน้ําตกจากตัวแล้วจึงนุ่งหม่มนั่นก็เป็นธรรมเนียมในการอาบน้ำนั้นถ้าเกิดไม่มีผ้าอาบน้ำว่าโปะก็ต้องมีธรรมเนียมในการที่อาบให้ดีไม่กระเจิดกระเจิงข้อหนึ่งอีกอย่าเปลือยกายไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มไหว้ผู้เปลือยกายด้วยกันอย่าเปลือยกายไหว้ผู้อื่น อย่าเปรยกายให้ผู้เปรยกายด้วยกันไหว้ตนอย่าเปรยกายให้เขาว่า้อย่าเปรยกายทําประการแก่ผู้เปรยกายด้วยกันอย่าเปลยกายให้ข้าวของแก่ผู้เปรยกายด้วยกันอย่าเปรย์กายรับของอย่าเปลยกายเคี้ยวกินอย่าเปรยกายฉันอย่าเปรย์กายริ้มเรียอย่าเปรยกายดื่มน้ําถ้าเปรยกายในที่ดังนี้ต้องถูกกดเธอโปอยู่นี่ห้ามไปทําอะไรโปก็ไปอุจรััสวะเท่านั้นแหละ อย่างอื่นที่ห้ามทำแต่ทำในต้องอภัตทุกกฎด้วทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวนักเคนณะักโคอภิวาเดตับโบเข้าความละณักเคนตะาตับบังจะห้ามโปะแล้วดื่มดังนี้ทรงอนุญาตเครื่องปิดกายไว้สามชนิดอย่างนี้ก็คือชันตาคาราปฏิชาดิเครื่องปิดกายก็คือเรือนไฟอย่างหนึง่งอุกตกะปฏิชาดิเครื่องปิดกายก็คือน้ําอย่างหนึง่ง แล้วก็วัฏฐะปฏิชาดิเครื่องปิดกายก็คือผ้าอย่างหนึง่งก็แลเครื่องปิดกายคือเรือนไฟและเครื่องปิดกายคือน้ําควรเมื่อทําบริกรรมมีสีหลังเป็นต้นอย่างเดียวก็ใช้มือสีด้วยนะใช้มือสีห้ามไปใช้อย่างอื่นถ้ามไใช้หลังถูกันส่วนเครื่องปิดกายคือผ้าควรแก่ตำทั้งปวงเลยจะทำกรรมอะไรก็ได้ถ้าปิดกายด้วยผ้านี่นะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในน้ําหรือว่าอยู่ในเรือนไฟนี่ก็ไม่ควร จะไปทำกรรมอย่างอื่นนอกจากถูหลังให้กันข้อหนึ่งอีกอย่าพึงใช้กระเบื้องสีเท้าเขาทําเป็นหนามเป็นปมขึ้นดังสักบัวเพื่อจะสีเท้าถ้าใช้กระเบื้องสีเท้าเช่นนั้นต้องทุกกฎด้วยองห้ามว่านาภิคเวกะตะกลางปริพุนชิตตะบังดังนี้กระเบื้องสีเท้า น, านั้นจะ ก, กลมก็ตามที่เรียมเป็นต้นประตามพระองค์ทรงห้ามเพราะเป็นพาหุลลนุโยก ภาหุรนโยกนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการตามประกอบให้มันมีบริฐานมากมันมีภาระมากศึกลาจถึงความมากๆไปจะรับก็ไม่ควรจะบริโภคก็ไม่ควรเครื่องสีเท้าสามอย่างคือกรวดสิราหนึ่งอิดกระเบื้องหนึ่งหินฟองน้ำทะเลหนึ่งสามนี้เป็นของควรด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวติสโสปาดังสานิโยสักขังกัทลัง สมุดดะเถนการดังนี้สักกะรังก็ปรดศีดานะถัดแล้วการก็อิดกระเบื้องสมุดดะเถนการก็ฟองน้ําทะเลรูปนี้เหมือนฟองน้ําเถนุปินดะเถนุปินดะก้อนฟองน้ำข้อหนึ่งอีกทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวเจระปติกาอากามิตะบาว่าอย่าพึ่งเหยียบแผ่นผ้าถ้าเยียบต้องทุกกด ข้อนี้พระองค์ทรงปรารบโพธิราชกุมารสร้างโกกันุทะปราสาสต์ขึ้นใหม่ปูราชปราสาสตด้วยผ้าขาวจนตราบเท่าถึงลูกบันไดทีแรกแล้วใช้คนให้ไปเชิญพระองค์ให้เสด็จมาเสวยบนประสาทตรเพราะนั้นพระองค์เสด็จมาโพธิราชกุมารก็ให้ทรงเหยียบให้ทรงเหยียบแผ่นผ้าพระองค์ไม่ทรงเหยียบเบือนพระพักดูพระอานนุ์พระอนุนก็สั่งให้เลิกเสียจึงเลิกไปปูเป็นอาสนะบนปราสาสตร์ พระองค์สวยแล้วเสด็จกลับจึงทรงบัญญัติห้ามดังนี้ในเอกถาว่าโพอที่ราชกุมารเสี่ยงทายไว้ว่าถ้าเราจะได้บุตรพระองค์คงจะเหยียบถ้าจักไม่ได้พระองค์คงจักไม่เหยียบพระองค์เห็นว่าจับไม่ได้ร่้นเหยียบลงราชกุมารจะเห็นวิปรสาตไปจึงไม่ทรงเหยียบนี่เป็นเหตุที่ไม่ทรงเหยียบในภายหน้าที่สุทั้งหลายไม่รู้เหยียบผ้าเช่นนั้นลงพระธาตุทั้งหลายจะดูถูกได้เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติห้ามข้อนี้ไว้ ก็แลหญิงมีคันแก่หรือคลอดบุตรใหม่เชื้อเชิญให้เหยียบและเหยียบลงก็ดีจะเหยียบผ้าที่เขาปูวไว้ะบับล้างเท้าแล้วจะได้เหยียบก็ดีเหล่านี้ควรอยู่ด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวที่หินังมังคลัฏายะยาจิยะมาเนนะข้อความละอนุชานามิข้อความละโทตตาไดกัางอากามิตุงดังนี้ ข้หนึ่งไม่เป็นไข้ยอย่า ก, กั้นร่มนอกอุปจารวัดด้วยทรงห้าไมไว้ว่าณพิฆเวฉัดตังทาเรตบังดังนี้ว่าอย่าพึงกั้นร่มถ้ากั้นต้องถูกกดตัวร้อนกระวนกระวายถือมัวตาหรืออาภาษอันอื่นอันใดอันหนึ่งเว้นร่มเสียเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นไข้เพิกถูกไข้านานจะกั้นร่มในบ้านในป่าควรอยู่ด้วยทรงอนุญาต ไปว่าอนุชานามิพิขเวคิลานัสสะฉัตตังดังนี้ถ้าแลฝนตกจะรักษาจีวรหรือว่ากลัวสัดร้ายและโจรแม้จะรักษาตัวกั้นร่มก็ควรอยู่ก็แลร่มใบไม้สิ่งเดียวควรในที่ทั้งปวงไม่เป็นไข้กั้นได้แต่ในวัดหรืออุปจาระแห่งวัดได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวอะขิลานเนนติ ทิกุนาอาราเมอารามูปจาเตชัดตังทาเรตุงดังนี้สมัยนี้ก็ร่มพลสติกทั้งนั้นนะนะร่มใบไม้ไม่ไมีอ่ะเป็นร่มสังเคราะห์ทั้งนั้นผ้าตรงเคราะห์ทั้งนั้นแหละเป็นผ้าร่มข้อนหนึ่งอย่าให้เขาเขียนรูปภาพถ้าให้เขาเขียนต้องทุกกฎด้วยตรงห้าไว้ว่าณพิกเวปฏิภาณกิตตังการาเปตะบังอิทีรูปรตังปุริะรูปรตังดังนี้น ใช่แต่รูปหญิงรูปชายอย่างเดียวแม้รูปเดรัจฉานโดยสุดแม้รูปไสเดือนที่สุดจะทำเองหรือว่าบังคับว่าท่านจงทําดังนี้ไม่ควรแม้จะกล่าวว่าอุบาสกท่านจงทําคนรักษาประตูดังนี้ก็ไม่ได้ก็แลจะให้คนอื่นเขียนเรื่องชาดกและเรื่องอาสาทิสทานเป็นต้นหรือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเรื่องใสและประกอบด้วยความเบื่อหน่ายได้อยู่แม้จะเขียนต้นไม้เคลือวันเป็นต้นก็ได้อยู่เหมือนกัน โดยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวมาลาตรรมังลตากรรมังมังกรดันตังปัญจปติตังดังนี้มันนาดิกถาจบมาได้เรื่องกันแต่งตัวเป็นต้นต่อไปจะกล่าวในปฏ ะ, ะปฏิสังยุตตะคาถาเกี่ยวกับเรื่องของบาทข้อหนึ่งอย่าเอาบาทห้อยแขวนในที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเอาห้อยแขวนไว้ต้องถูกกด ด้วยทรงห้ามไวว่าณนะพิขเวปัตโตลักเเตบโบดังนี้แม้จะผูกในราวจีวรตั้งไว้ก็ไม่ควรข้อหนึ่งว่าอย่าเอาบาทวางบนเตียงข้อหนึ่งว่าอย่าเอาบาทวางบนตังข้อหนึ่งว่าอย่าเอาบาทวางบนตักข้อหนึ่งว่าอย่าเอาบาทวางบนร่มข้อหนึ่งว่าอย่าเอาบาทวางบนลึงข้อหนึ่งว่าอย่าเอาบาทวางไว้ที่จุดแห่งปริพันธ์ ถ้าเอาบาตวางไว้ในที่เหล่านี้ต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิคเวมันเจปีถถอังเกฉัดเตมิทันเตปริพันดันเตปัตโตนิชปิตาโบดังนี้เตียงต่างเขาทําเพื่อจะตั้งของหรือเพื่อจะนั่งนอนก็ตามเมื่อเอาบาตตั้งบนเตียงต่างอันใดหนึ่งคงเป็นทุกกดห้ามตั้งบาตบนเตียงบนต่างนะก็แลเอาผูกเข้ากับของอื่นไว้ ควรอยู่นะถ้าผูกกับของอื่นไว้นี่ไม่เป็นไรหรือจะผูกในแม่แค่ห้อยลงไว้ก็ควรแม่ผูกแล้วจะวางบนเตียงบนตังไม่ควรเลยนี่หมายถึงว่าเอาไปผูกเอาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ไว้บนเตียงบนตังคเพราะว้าบนเตียงบนตังนี่มีอบวบแม้จะผูกไว้ไปวางไว้บนเตียงบนตังก็ไม่ได้ถ้าแลเขายกเตียงหรือตังขึ้นเป็นร่างร้านไว้บนราชีวรเป็นต้น จะเอาบาดวางบนเตียงต่างควรอยู่เดี๋ยวเผลอไปนั่งทับถ้าบาดไมความก็เป็นบาดดินบาดเด็กก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรหรอกจะเอาสายโยกคล้องเข้าในจงอยบาแล้ววางบนตักก็ควรแม้บาดคล้องอยู่ในจงอยบาเต็มด้วยข้าวสุกจะเอาวางบนร่มก็ไม่ควรก็แลจะผูกบาดเปล่าและบาดเต็มด้วยข้าวสุกเข้ากับพันดะแล้ววางบนร่ม หรือจะวางบาทเช่นนั้นบนร่มที่ผูกเป็นร่างร้านวางไว้ก็ดีควรอยู่ต้องมีการผูกเอาไว้กับสิ่งอื่นแล้วนะไว้กับพันธะแล้วป้องกันกลิ้งไงก็แลจะวางบาทบนพึงแห่งระเบียงเป็นต้นแล้ววางบนพนักไม่ควรถ้าแลบาทแม้กลิ้งไปก็ตั้งอยู่ในพึงในพนักที่เช่นนั้นจะวางบาทแม้บนพึงที่กว้างอย่างนี้ควรอยู่ก็คือ วางแล้วเนี่ยสามารถที่กลิ้งไปได้ลมพัดอะไรต่ตางๆเล่านี้ไม่ใช่ไม่มีที่รองบาดถ้าวางบนพื้นบริเวณกว้างแล้วมันไม่กลิ้งตกลงไปก็วางได้ที่สุดแห่งปริพันธ์นั้นก็คือฐานพื้นนอกพลึงนอกพนักนิฉัยในที่สุดปริพันธ์นี้ให้พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วในพื้นนั้นันนเถิดก็คือบริเวณที่วางของได้อะถ้ามันจะกลิ้งได้ก็ยจะไปวางเลย ข้อหนึ่งอย่าวางบาดความบาด ท, ที่พื้นขมแข็งด้วยทรงอนุญาตเครื่องรองไว้ก็คือตินสะสันถะระกังเครื่องนาดรองทําด้วยหญ้าอย่างหนึ่งโจระกังท่อนผ้าปูรองบาดอย่างหนึ่งก็แล้วเมื่อท่อนผ้านั้นไม่มีจะวางบนเสื่ออ่อนหรือเสื่อลำแพนหรือจะวางบนพื้นที่เขาทาดินเหนียวในที่เช่นไรไม่ปะทุสรายบาดจะวางในที่เช่นนั้นหรือในทรายก็ควรอยู่ทรายนี่มันก็ไม่ตกกระปกใช่ไหม มันก็ไม่ได้เป็นพื้นคมแข็งก็แล้วเมื่อวางในที่มีดินร่วนและฝุ่นเป็นต้นหรือพื้นคมแข็งเป็นทุกกฎถ้าเป็นดินร่วนฝุ่นต่างๆนี้มันเละเทอะบาดด้วยอันนี้ไม่ควรแต่ถ้ า, ายนี้ก็ไม่เละเทอะก็วางวางบนใส่ได้แต่วางที่ดินร่วนดินฝุ่นอะไรตรงนี้ไม่ได้ต้องบปด ท, ทุกกฎแล้วก็อนุญาตปัตตะมานลกังโรงสาหรับไว้บาด ท, ทาด้วยอิฐหรือไม้ ปตะกุลโดลิกาหม้อสําหรับเก็บข้าวของมีสันฐานดังกระถางตากกว้างสองสิ่งนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้เป็นที่เก็บบาดปัตะถะวิกาถุงบาดอังสะวัตกาสายโยกสองสิ่งนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้เพื่อจะรักษาบาดปัตาทารโกเชิงบาดเชิงบาดนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้เป็นที่วางบาดอนุญาตเชิงบาดด้วยนะอัตกถากรุนทีกล่าวไว้ว่า ในเชิงบาดดังวลัยก็คือเป็นวงกลมเนื่องอยู่กับพื้นที่ทําด้วยงาและถาวันและหวายเป็นต้นจะวางบาดสามใบซ้อนๆกันและในเชิงบาด ท, ที่ทําด้วยไม้จะวางบาดสองใบซ้อนๆกันก็ควรอยู่อันนี้ในอัตกถากรุนทีก็แต่ในมหาอัตกถากล่าวไว้ว่าในเชิงบาดเป็นวลัยไม่เป็นโอกาสพอบาดสามใบจะวาง แต่สองใบควรอยู่อนญาตให้สองใบในมหาเทวทัศแม้ในเชิงบาต ท, ทําด้วยไม้ท่อนก็เหมือนกันอย่างนั้นก็แลเชิงบาต ท, ทําด้วยไม้เหมือนก้นพมรและเชิงบาต ท, ทําด้วยท่อนไม้คือเอาไม้สามท่อนผูกติดกันเข้าก็ดีไม่เป็นโอกาสแห่งบาตแม้แต่ใบหนึ่งแม้วางบาตบนเชิงบาตนั้นพึงนั่งเอามือยึดไว้ป้องกันมันจะร่วงจะดน ก็แลในพื้นพึงคว่าวางไว้แต่ใบเดียวเธอถ้าเป็นพื้นนี่ให้คว่ำวางใบเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นวลัยที่เขาทาเอาไว้วาลายต่็นตามแบบนี้ด้วย ง, งานที่ถาวันนี้ก็วางสองใบหรือว่าสามใบซ้อนๆกันได้ข้อหนึ่งอย่าเอาของที่เป็นเดนลงในบาตอย่าล้างมือลงในบาตพึงล้างลงในกระโถนด้วยตรงห้ามและอนุญาตไว้ว่า ณพิขเวจะละกาณิวาอธิกาณิวาอุดจิตโถดังวาปเตณีหริตบังอนุชานามิพิขเวปฏิหังดังนี้ว่าอาเมธที่คายออกจากทิ้งเสียหรือตั้งปลาหรือกระดูกเนื้อหรือน้ำล้างปากที่เป็นเดนเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าพึงนำไปด้วยบาท ถ้าเอาไปด้วยบาตรต้องทุกกฎใช้บาตรแทนกระโถนเนี่ยบาตรทุกกเราตถาคตอนุญาตกระโถนเป็นที่รองรับแม้จะเอาบาตร ท, ทาเป็นกระโถนล้างมือลงไม่ได้เลยแม้จะเอาน้ำล้างมือล้างเท้าลงในบาตรแล้วนำไปเทก็ไม่ควรจะจับบาตรที่หมดจดอยู่ไม่เปื้อนด้วยมือที่เปื้อนไม่ควรก็แลจะเอามือซ้ายเทน้าลงในบาตรแล้วอมเอาน้ำอมหนึ่งแล้วจึงจับด้วยมือเปื้อน ควรอยู่ด้วยว่าเท่านี้บาดนั้นชื่อว่าเป็นบาดเปื้อนด้วยพ้วนด้วยน้ำลายที่ตัวเองไปอมก็และจะล้างมือเปื้อนด้วยน้ำข้างนอกแล้วจึงจับควรอยู่เมื่อฉันปลาเนื้อพลาผลเป็นต้นอยู่ในของเหล่านั้นสิ่งใดเป็นกระดูกหรือเดนปรารถนาจะทิ้งเสียจะเอาวางลงในบาดนั้นไม่ได้เลยก็แลของใด ย, ยังอยากจะฉันอยู่ต่อไปอีกจะเอาของนั้นวางลงในบาดได้อยู่ จะวางกระดูกและกล้างเป็นต้นไว้ในบาดแล้วเอามือปล่อนออกมาฉันควรอยู่ถ้าเป็นปลาหรือว่าไก่นี่ก็ฉีกๆๆกีแล้วก็วางกระดูกไว้ยังไม่ได้เอาเข้าปากอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเอาเข้าปากแล้วนี่จะวางลงไปไม่ได้ก็แลกของสิ่งใดนำออกจากปากแล้วยังอยากจะฉันอีกอยู่จะเอาของนั้นวางลงในบาดไม่ได้เลยถ้าเอาออกจากปากแล้วนี่ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นท่อนขิงและชิ้นมะพร้าว หรือว่าเป็นชิ้นใจก็แล้วแต่กัดกินแล้วจะวางลงอีกได้อยู่เพราะว่าไอ้ตัวนที่วางลงนี่ยังไม่ได้เข้าไปในปากเฉพาะที่เรากัดกินเข้าไปมันเข้าไปในปากทั้งยิงอยากจะกินอยู่ก็วางลงไปได้แต่ว่าถ้าเข้าปากมาแล้วนี่นะจะวางลงไปอีกไม่ได้แล้วข้อหนึ่งอีกฉันในอาติตกูปทานะไม่ควรด้วยทรงห้าหมไว้ว่าณพิกเวอาติตกูปทานเนพุญชิตตะบังว่า ยาพึงฉันในอาสิตกูปทานะธาฉันต้องทุกตอาสิตกูปทานนั้นก็คือเตียบ้างพระอบบ้างแต่ในดีกาวิมติวิโนธนีว่าเป็นชื่อเชิงเขียงรองภาชนะมีอาการดังภาชนะอย่างหนึ่งเขาทำเป็นแปดเหลี่ยมบ้างเป็นสิบหกเหลี่ยมบ้างวางข้าวปลายาเป็นต้นที่ร้อนลงแล้ววางถาดรองของกินข้างบน เพื่อจะมิให้ข้าวุกที่ร้อนนั้นหายร้อนเชิงเขียงรองเช่นนั้นเขาทำด้วยทองแดงบ้างด้วยเงินบ้างก็แต่เพราะเป็นของสงห้ามแล้วแม้ทำด้วยไม้ก็ไม่ควรท่านอะไรอ่ะโชติกะเศรษฐีเชิญพระเจ้าพิมพิสารไปเสวยที่บ้านของท่านเอาอันนี้แหละอาติกูปธานะเอามาวางแล้วก็เอาพระญาติข้นมาวางไว้ก่อนพระเจ้าพิมพิสารก็จะเสวยแล้วบอกว่านั้นไม่ใช่เปของเสวย แต่นั่นเป็นของที่เอามาทําให้ให้อุ่นเดี๋ยวอาหารจะมาก็ไปเอาข้าวปลายาตจริงๆมาทามาปางไว้มันข้าวปลายาตที่เอาไว้ให้อุ่นเพื่อจะได้ไม่ให้มันเย็นเร็วต่อไปนะควรแต่เครื่องรองทําด้วยท่อนไม้ที่เรียกว่ามันโลริกมันโรริกกะซึ่งเป็นของทรงอนุ ญ, ญาตแก่ที่ถูกไข้ผู้ไม่อาจถือบาดไว้ฉันได้เชิงบาดพระ อ, องค์ทรงอนุญาตในกอนเพื่อจะรักษาบาด มันโลริกะทรงอนุญาตไว้เพื่อจะให้รองฉันแม้เครื่องรองทําด้วยไม้เส้าทําด้วยใบไม้และกระเช้าและแตะกร้าก็เนื่องเข้าในมันโลริกะนั้นสิน้นด้วยว่าตั้งแต่ถึงซึ่งสังเกตว่าเป็นเครื่องรองไปจะเป็นช่องกดีทะลุ ก, กดีไม่ทะลุ ก, กดีก็ควรโดยแท้สมัยนี้ก็บางครั้งก็มีการฉันตกตกนึกไม่ใช่เตียบ ตก็เอาหารด้วบางเป็นสําหรับสํำรับแล้วก็ชันนั้นนั่นเองข้อหนึ่งอีกอย่าเอากระโหลกน้ําเต้าทําเป็นบาสเที่ยวบินทบาทข้อหนึ่งอีกอย่าเอากระเบื้องหม้อทาเป็นบาสเที่ยวบินทบาทถ้าเที่ยวบินเบาทด้วยของเหล่านี้ต้องถูกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิภเวตุมบะกะตาเหนะข้อความละกะติกะตาเหนะปินดายะจริตบงังดังนี้กระโหลกน้ําเต้าจะรักษาไว้ไม่ควร ก็แลได้มาบริโภคจะทําเป็นของขอยืมนี่ควรอยู่นะทําเป็นของยืมก็คือไม่ให้เป็นของตนนั่นเองต้องมีความสําคัญหมายว่าไม่ใช่ของตนพราฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้บ้างแม้ในกระเบื้องหม้อก็เหมือนกันข้อหนึ่งอีกยาวกระโหลกหัวผีทําเป็นบาทไม่ควรด้วยตรงห้ามไว้ว่านาพิขเวชาวะสีสักตะปัตโตทาริตาโบข้อความละ ณจ่าสัปตังสุกูริกเกณ์พวิตบังดังนี้ว่าอย่าพึงทรงบายกระโขวผีถ้าตรงต้องทุกข์กดอย่าพึงถือบางสกุลในของทั้งปวงทุกสิ่งด้วยถ้าเธอใดถือบางสกุลทุกสิ่งต้องทุกข์กดและเตียงตังเป็นของบางสกุล ค, คือเขาทิ้งเสียถือเอาเองควรอยู่ก่แลของที่จะพึงกลืนกินข้าวต้องให้รับประเคิน ก็แลของที่จะพึงกลืนกินเขาให้ก็รับเถิดก็คือต้องให้รับเคเรนไปเอามาบางสกุลมาฉันเองไม่ได้ก็และจะถือเอาของเป็นบางสกุลในซากศพที่ยังไม่แตกไม่ควรได้ทรงห้ามไว้ในวีนิตตวัตถุว่าณาจา่าพิคเวอะพินเนสรีเรปังสุกูลังขะเหตตะบงังดังนี้ถือเอาของบางสกุลในซากศพที่ตด อยู่อุปัตตะวันตรายย่อมมีต้องทุกข์กดด้วยเดี๋ยวาศพนี้มันลุกขึ้นมาแบบมาตัวอย่างพระพิจูรูปหนึ่งนะไปเอาผ้าบรรจุ น, นที่ซากศพเจ้าของศพตายแล้วก็ยังหวงผ้าอยู่นะก็เลยเป็นเศษสิงอยู่ในซากศพนั้นแ่ะพระพิจูไปชักผ้าบรรกวนมาซากศพก็เลยลุกขึ้นอย่าเอาผ้าของเราไปอย่าเอาผ้าของเราไปก็เดินตามพระพิจูีระพิก็เลยแจ้นเลยวิ่งเข้ากุฏิปิดประตูล็อกอย่างดีเลย เปรตก็เลยคิดว่าหมดหวังนั่นแหะก็เลยลไปตามกรรมสร่าศพก็เลยล้มอยู่ตรงนั้นน่ะนะถ้าศพสดอยู่ยังไม่แตกห้ามถือบางสกลุลเท่าไรสร่าศพจึงชื่อว่าแตกแล้วแม้มาดว่าสัตว์มีต้นว่ากาและนกตะกลมและสุนัขและสุนัขจิ้งจอกจิตกัดด้วยจะ ง, งอยปากหรือว่าเขี้ยวหน่อยหนึ่งสร่าศพนั้นก็ชื่อว่าแตกแล้ว ก็แล้วซากศพใดล้มลงคลูดสีมาว่าผิวขาดไปหนังยังไม่ขาดซากศพนั้นชื่อว่ายังไม่แตกแท้และครั้นเมื่อหนังแตกแล้วถึงชื่อว่าแตกถ้าหนังขาดถึงจะชื่อว่าแตกถ้าผิวแค่ถลอกหรือว่าผิวจุดลุ่ยไปอันนี้ยังไม่ชื่อว่าแตกแม้ซากศพใดเมื่อยังเป็นอยู่เป็นสีและโรคขุดถังก็คือเป็นโรคเรื้อนและเป็นต่อมพังอยู่แล้ว หรือเป็นแผลอยู่แม้ทราสบศพนี้ก็ชิวะแตกแล้วถ้าตายก็แตกอยู่แล้ว่ะเป็นแผลเป็นอวบเป็นหนองต่างๆแม้ทราสบศพใดแต่วันที่สามไปขึ้นทองแล้วก็ชิวะแตกแล้วเหมือนกันมันยังไม่ปรินะแต่ว่าอืดทองบวมเต็มที่แล้วี่ก็รียกว่าแตกเหมือนกันแม้ในทราสบศพยังไม่แตกเลยด้วยประการทั้งปวงที่ตุจะใช้คนผู้เฝ้าป่าชา้าหรือมนุษย์อื่นให้ถือเอาก็ควร ถ้าแม้ไม่ได้ผู้อื่นไซส์พึงทําด้วยศาสตราหรือว่าสิ่งอื่นให้เป็นแผลแล้วพึงถือเอาบางสกุลเถิดก็แลในกริริยาที่เป็นวิสภาคาะก็คือศพหญิงจะตั้งสติยังสมณสัญญาให้บังเกิดแล้วทําให้เป็นแผลในศีรษะหรือว่าหลังมือหลังเท้าแล้วจึงถือเอาควรอยู่ทําเองก็ได้ให้มันแตกให้ซักสบแตกก็ไปกรีดที่หลังมือหลังเท้าที่ศีรษะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นศพหญิงก็ต้องระวังน่อย ข้อหนึ่งอีกบาดไม้บาดทองบาดเงินบาดแก้วมณีบาดแก้วไพลทูลบาดแก้วผลึกบาดสำธิปบาดแก้วหุ่งบาดดีบุกบาดสังกติบาดทองแดงเหล่านี้อย่าพึงใช้ถ้าใช้ต้องถูกกฎบาดสิบเอดชนิดอันนี้เป็นบาดที่ไม่อนุญาตเป็นบาดที่เป็นอกตัญญะเจ็ดอ็ดยาบาดไม้บาดทองบาดเงินบาดแก้วมณีบาดไพลทูลบาดแก้วผลึก บาดสำริดบาดแก้วหุงบาดดีบุกบาดสังสีบาดทองแดงทั้งหมดสิบเอ็ดชนิดอันนี้เป็นอักบียะไม่ควรใช้แต่ใช้ต้อบารทุกกฎบาดที่อนุญาตให้ใช้มีสองอย่างก็คือบาดดินกับบาดเหล็กจึงควรถ้าบาดดินนี่ก็เผาสองไฟบาดเหล็กก็เผาห้าไฟแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ถึงไม่รู้จะมีตัวอย่างหรือเปล่าว่าในดีการัี่บอกว่าถ้ามันดำแล้วเผาไฟเดียวก็ใช้ได้แล้วสมัยนี้รัศนิมีขึ้นด้วยเป็นบาดสเตนเลส จุดประสงค์ในการเผาก็คือเพื่อดีจะให้สนิมไม่ขึ้นนั่นเองนั้นบารเเ็ ก, ก็ต้องห้าไฟส่วนบาดินก็จะได้ให้แข่งให้แข็งนั้นก็เผาสองไฟบาดินกับบานเด็กจิงควรโดยสรงห้ามและอนุญาตไว้ว่าณนะพิฆเวดารุมโยณนะโสวันนมโยณนะรูปิยนะณมณิณนะเวรุริยณภนะริกะณนะกังสะณนะกาจณตนะิปูณนะศีสะ นาะตามะโลห ะ, ะโยปัตโตทารีตโบอนุชานามิพิกเวก็ควาละเดะเวปัเตะอโยปัตตังมัตติกาปัตตังมัตติกาปัตตังก็คือบาดดินนั่นเองอโยปัตตังก็คือบาดเหล็กดังนี้ถ้าแม้ในโรงฉันกรหัดเขาจัดจับข้าวลงในบาตและจานทองเป็นต้นน้อมเข้ามาถวายแม้จะถูกก็ไม่ควรน้อมมาถวายก็ปักอาหารได้แต่อย่าไปถูก บาตถูกจานอะไรเหล่านั้นจะเป็นจานทองภาชนะทองไม่ใช่ของในเศนาสนะนี่ห้ามไปถูกต้องถ้าเป็นของในเศนาสนะนี่เป็นทองเป็นเงินหรืออะไรนี้ใช้ได้ทั้งหมดเป็นของสงภาชนะมีจานเป็นต้นแล้วด้วยแก้วผลึกและแก้วหวงสัมฤทธิ์เป็นต้นเป็นปุกคริกะบริโภคอย่างเดียวไม่ควรจะเอามาบริโภคคืนขอส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นสังขีกะบริโภคหรือว่าเป็นขีหิตวิกัก เครื่องใช้แห่งเครื่หัดควรอยู่ถ้าเป็นพวกภาชนะมีการเป็นต้นเนี่ยแล้วด้วยแก้วผลึกหรือว่าแก้วหุงสมำริดแรงการนี่จะมาใช้ส่วนตัวไม่ได้แต่ใช้เป็นของส่วนรวมของสงหรือว่าของเครหัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจานเจิญอะไรพวกนี้ไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากในของเสนาสนะประจําเสนาสนะบาทแม้แล้วด้วยทองแดงก็ไม่ควรก็ตแต่เป็นถ้วยจานนี้ควรอยู่ถ้าเป็นถ้วยจานที่เป็นทองแดงนี้ใช้ได้แต่เป็นบาทนี้ใช้ไม่ได้ยาปฏิทุกฎ คำทั้งพวงนี้กล่าวไว้ในกรุนทีอัตกถาข้อหนึ่งอย่าเอาบาตรชุ่มด้วยน้ำเก็บไว้ด้วยทรงห้ามไว้ว่านาพิขเวโสดกโกปัตโตปฏิสาเมตบโบว่าอย่าเอาบาตรมีน้ำเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ต้องทุกกดให้พึงแดดเสียก่อนแล้วจึงค่อยเก็บด้สทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามีพิคเวเข้าความละโอตาเปตวาปัตป ต, ตังปฏิสาเมตุงดังนี้ ข้อ1หนึ่งอย่าเอาบาดชุ่มด้วยน้ำพึงแดดถ้าเอาพึงต้องถูกกฎได้สทรงห้ามไว้ว่าณพิกเวโสตะโกปัตโตโอตาเตตโบดังนี้พึงทำให้หมดน้ำก่อนจึงค่อยตาด้วยทรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวข้อความละนิโรดังกัตวาข้อความละ ข้อหนึ่งอย่าตากบาดให้นานด้วยสรงห้ามวว่าณนะพิขเวอุนเหปัตโตนิดหิตตัปโบดังนี้ว่าอย่าตั้งบาดไว้ในที่ร้อนถ้าตั้งไว้ต้องทุกกพึงตากไว้กลางแดดที่ร้อนครู่หนึ่งแล้วพึงเก็บเสียด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวมุหุดตังอุนเหโอตาเปตวาข้อความละดังนี้อันนี้ก็เป็นการจบเรื่องของ แล้วความเกี่ยวกับเรื่องบาปปัตตาปฏิสังยุตคาถาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบาปนั้นก็เป็นสิ่งที่วัตถุกก็จะได้โอกาสในการที่จะกระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าห้าไว้อย่างนี้อย่างนี้ก็ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นสติขั้นสี่จะเกื้อกูลแก่สติขั้นสมถะแล้วก็วิปัสสนาถ้ามีการระมัดระวังตัวในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตประจําวันจะนุ่งจะหม่มจะบริโภคขบฉันอะไรต่างๆว่ามีพระวินัยบัญญัติอะไรไว้บ้างหรือเปล่า ก็เกือกูณกับการยังมีสติธรรมัญญาก็จะทําให้การปฏิบัติธรรมนั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็สมควรแก่ธรรมเพื่อที่จะบรรลุอริยสัจธรรมศีลเป็นรากฐานเป็นบาตรแต่สมาธิแล้วก็เป็นบาตรหน่งปัญญาก็ขอให้เจริญด้ศีลและสมาธิปัญญาได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมโดยทั่วกันในเทือนสาธุสาธุสาธุ